จวนตัวซะล้วสิก็หกก็ไม่ได้นึกไม่ถึงเลยว่านางพามณีจะจำได้แล้วนี่จะทำยังไงดีท่านยังไม่ได้ตอบดิฉันเลยท่านเคยเห็นดิฉันหรือเปล่าคะอัตมาเคยเห็นท่านเคยเห็นดิฉันที่ไหนอัตมาเคยเห็นอุบาสิกาที่ปราสาทหลังนี้ถ้าฉชนนั้นท่านก็คือถูกแล้ว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 บัดนี้อาตามาก็ยกโทษให้หมดสิ้นแล้วแม่ดีใจมากเชียวค้าท่านเป็นความตื้นตันใจจนแม่พูดอะไรไม่ออกท่านสุมังคละละ่ะอาตามาอยากพบอยากพบพ่อเหรอคะท่านไม่อยู่ละ่ะท่านไปไหนพ่อตายแล้วท่านสุมังคระตายแล้ว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 ท่านก็ลมเจ็บหนักและถึงแก่ความตายกันนิกาล่ะพี่กันนิกาแต่งงานแล้วก็ไปอยู่กับสามีที่เมืองสาเกตเวลานี้ในปราสาทใหญ่มีแม่กับรีลาวดีและท่าชายหญิงเท่านั้นชีวิตของแม่เต็มไปด้วยความเศร้าและความทุกข์แต่เมื่อได้พบเจ้าแล้วได้ขอขมาโทษเจ้าแล้วก็เท่ากับยกก้อนหินก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งออกไปจากจิตใจต่อไปนี้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 Thank mm -hmm. you. น, นี้เมื่อ น, นิมนต์ให้มาอาตมาก็ต้องมาหลบเลี่ยงไม่ได้หรอกอุบาสิกาแล้วอุบาสิกาพรามณีละ่ะแม่ไปธุระให้ดิฉันคอยต้อนรับท่านเออท่านคะ่ะอะไรละ่ะลิลาวดีดิฉันขอถามอะไรสักหน่อยความจริงก็เป็นเรื่องที่ล่วงมาแล้วแต่ดิฉันก็ค่อยจะทราบถ้าท่านให้โอกาสดิฉันก็จะถามเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะเอาสิ เธอจะถามอะไรก็ถามเธออาตมาให้โอกาสแล้วทำไมท่านจึงหนีจากเราไปได้ลักษณะอย่างนั้นที่ฉันรู้สึกเสียใจไม่หายจะหนีทัานทีก็ไม่บอกให้รู้ร่วมหน้าท่านพอจะบอกได้ใช่ไหมคะ อ, อ๋อที่อาตมาหนีจากบ้านไปคราวนั้นน่ะเลยอาตมาได้บอกเธอแล้วเธอไม่ได้รับจดหมายที่อาตมาฝากไว้กับนาทาสีหรกเหรอจดหมายเหรอคะ อ๋อจริงสิจดหมายนั้นที่ฉันได้รับแต่ท่านนี่จะบอกด้วยปากหนีไปอย่างนั้นชัวนให้คิดว่าท่านรังเกียจลีลาวดีเหลือเกินเปล่าเลยอาตมาไม่ได้รังเกียจเธอเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้ามอาตมาหนีคราวนั้นเพราะรักเธอรักดิฉันหมือคะถูกแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เลยคะท่านยังรักลีลาวดีเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าปัญหานี้อยาให้อาตมาตอบเลย ทำไมไม่ตอบแล้วคะ่ะนี่เพื่อนเหมืนเกียรลีลาวดีซะแล้วเกีนรลีลาวดีซะแล้วอ น, นิจาลีลาวดีช่าเป็นคนอาภาพเพอาสนาซะจริงๆเสียแรงที่อุสาเฝ้าคอยด้วยความซื่อสัตย์เป็นเวลาหลายปีแต่ผลที่ได้รับก็คือการลืมจิตใจปั่นป่วนเหมือนท้องทะเลเมื่อต้องพายุฝนยังจาคำโบราณได้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 ต้องเข้มแข็งต้องเข้มแข็งท่า น, นค่ะอาตมาต้องกลับละ วันนี้แม่มีโอกาสได้ตอนรับลูกวนกันก่อนแม่มีธุระเลยไม่ได้พบแต่ลีลาวดีก็ตอนรับลูกดีไม่ใช่เหรอลีลาวดีตอนรับอาตมาเป็นอย่างดีอุบาสิกาอย่าได้กังวลแล้วนี่ลีลาวดีไปไหนซะละ่ะทำธุระอยู่ข้างนอกแม่จะไปตามเข้ามาในต้องรับอาตมามีเรื่องที่จะพูดกับอุบาสิกาเรื่องอะไรละอาตมาจะขอลาไปจากที่นี่ ไปจากกรุงสาวัถีอะไรนะลูกจะไปจากกรุงสาวัถีทำไมจึงด่วนจากแม่ไปซะละมาอยู่กรุงสาวัถียังไม่ทันเลจะจากไปซะละต่อไปนี้แม่กับน้องคงจะเหงาแย่อยู่ฉลองศรัทธาแม่ต่อไปอีกสักเดือนสองเดือนก่อนเถอะ อย่าพิ่มด่วนไปเลยอาตมาตั้งใจไว้แล้วว่าจะต้องไปอย่าได้ทัดทานความตั้งใจของอาตมาเลยลูกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรือเปล่าจึงต้องไปจากที่นี่อาตมาไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเพียงแต่อาตมาต้องการจะท่องเที่ยวไปให้ทั่วเท่านั้นลูกจะไปเมื่อไรตั้งใจว่าจะออกเดินทางพรุ่งนี้เรื่องนี้ลีลาวดีรู้หรือยังอาตมาไม่ต้องการให้รู้ อตอมาขอลขาลท่านค่าดีลาวดี ท่ามาทำไมที่นี่ท่านจะหนีจากกรุงสาวัตถีเหรอคะเธอรู้ได้ยังไงดีลาวดีแม่บอกว่าท่านจะไปจากกรุงสาวัตถีเป็นความจริงเหรอคะเป็นความจริงอาตมากำลังจัดเตรียมของอยู่นี่ไงทำไมล่ะท่านจะหนีไปทำไม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 อาตมาจะอยู่ไปทําไมใครเกลียดท่านชื่อบอกหน่อยสิคะคนที่เกลียดอาตมาเธอก็รู้อยู่แก่ใจดีนี่ดีลาวดีถ้าดีฉันรู้ดีฉันจะไม่ถามท่านเลยแต่นี่ดีฉันไม่รู้จึงได้ถามถ้าเช่นนั้นอาตมาจะบอกบอกสิคะใครเกลียดท่านลูกสาวท่านสุมคละื拉ครับอดีดีฉันนียคะ่ะถูกแล้วเธอนั่นแหละ ดีลาวดีท่านเข้าใจผิดใหญ่ละดิฉันเหลือจะกล้าเกลื่อดท่านได้ลงคอตรงกันข้ามที่ฉันรักบูชาท่านด้วยชีวิต จ, จิตใจก็ว่าได้จริงเหรอจริงสิคะเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กอยู่ที่บ้านดิฉันรักบูชาท่านยังไงเดี๋ยวนี้ก็ยังรักอยู่เช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ท่านไม่อยู่ี่ฉันไม่เคยมีความสุขเฝ้าเฝ้าแต่คิดถึงท่านอยู่ตลอดเวลา อาตมาไม่เชื่ออย่างเธอปากพูดอย่างใจไปอย่างไม่ตรงกันหรอกที่ท่านไม่เชื่อกเพราะท่านเกลียดรีลาวดีใช่ไหมคะแล้วแต่จะคิดเอาเถอคะค่ะท่านจะเกลียดรีลาวดียังไงก็เกลียดเธอแต่ดิฉันใค่จะขอร้องอย่างหนึ่งอย่างเดียวเท่านั้นถ้าการุณาดิฉันในข้อนี้ไม่ได้ก็จงหนีไปใก้ไกลจากกรุงสาวัตถีคพื่อจะกลับมาอีก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 ก็จะเป็นการทารุณกับหัวอกสตรีมากเกินไปถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าอตาามาจะอยู่ที่นี่ตามคำขอของเธอลีลาวดี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 พระบรมศาสดาตรัสว่าบุคคลหวานพืชเช่นใดไว้จะต้องได้รับผลเช่นนั้นแล้วทำไหมละ่ะเรวตตะข้าพเจ้าสังหรใจว่าสักวันหนึ่งกรรมที่ได้หวานไว้คงจะผลิตผลให้เห็นเป็นแน่อย่าคิดมากเลยเจ้าก็ได้ทำดีลบล้างผิดนั้นแล้วคิดว่าจะลบล้างกันได้เนี่ยพอที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 ไม่มีเมฆไม่แต่กลุ่มเดียวแต่พอฟ้าก็ไม่โปร่งใสเหมือนวันก่อนขอฟ้ารอบด้านวิแต่หมอกควันนั่นเกิดจากไฟป่าแล้วฝุ่นละอองพอเห็นจะต้องไปก่อนละวันนี้พระบรมศาสดาจะเสด็จไปยังเมืองสาเกตตามคำนิมนต์ของเศรษฐีคนหนึ่งพ่อจะต้องติดตามพระองค์ไปด้วย เห็นทีพระเฉตวันวิหารจะเงียบเชียบทีเดียวพอไปแนละ้วพระเฉตตวันวิหารซึ่งเงียบอยู่แล้ว ได้เงียบลงไปอีกเท่าตัวเมื่อพระภิกษสุงสงฆ์จำนวนมากได้ติดตามพระบรมศาสดาไปยังเมืองสาเกตแต่ก็เป็นที่สบายดีเพราะชอบความเงียบตังแต่ไหนแต่ไรมาแล้วรู้สึกว่าอากาศวันนี้จะร้อนเอามากทีเดียวจนก็มานั่งเล่นบนแท่นหินที่ใต้ร่มไส ย, ย้อยเพื่อบรรเทาความร้อนลงได้บ้างเอ๊ะนั่นคนพวกไหนไงสักยี่สิบคนเห็นจะได้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 กรุณาบอกข้าพเจ้าหน่อยเถิดข้าพเจ้าจะไปหาพิสุเรวตตาได้ที่ไหนไม่จําเป็นต้องไปหาที่ไหนเลยเมื่อเรวัตตานั่งอยู่นี่แล้วอท่อมถูกแล้วอัตมาคือเรวัตตาพิกษุโหดดีทีเดียวนึ ก, กว่าจะไม่พบท่านเสีอกเราถามหาท่านมาตลอดทั้งแกล้งโกสนุน พึ่งจะพบวันนี้เองท่านมีเรื่องอะไรกับอัตมาเลอ ค, คือว่าคือพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจำเป็นต้องไปฏิบัติหน้าที่บางทีการปฏิบัตินี้อาจจะรุนแรงไปบ้างก็ขออภยัยคือว่าเอาข้าพเจ้าขอร้องขอให้ท่านสึกจากเพศที่สุดเดี๋ยวนี้ ท่านพูดอะไรนะเมื่อกี้นี้ข้าพรเจ้าขอร้องท่านรงสึกเถอะดูก่อดูบาศกอาตมายังไม่เข้าใจในคำพูดของท่านขอให้ท่านฝึกเดี๋ยวนี้อาตมาไม่สึกอาตมาไม่มีความผิดอะไรท่านมีอํานาจหน้าที่อะไรก็าบังคับให้อาตมาสึกเรื่องนั้นไม่ต้องพูดท่านจะสึกก็ไม่สึกอาตมาไม่สึกทหารจับเข้ามา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 เรียกว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไปท่านยอมได้แต่แรกทำไมต้องเหนือยอย่างนี้ท่านทํากับเราอย่างนี้ป่าเขินมากเราถูกบังคับให้สืดโดยไม่มีความผิดคืนยังไงก็ตามเรายังเป็นสมณะอย่างบริบูรณ์ท่านจะเป็นสมณะหรือเขาว่าก็ตามเถอะแต่ว่าครั้งหนึ่งท่านเป็นจรต้นฆ่าพลเมืองผู้ไร้ความผิดเลี้ยงขี้ท่านเรื่องของท่านเป็นที่เปิดเผยแล้วท่านได้ทำความผิดต่อกฎหมายบ้านเมืองไว้มาก บัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะต้องใช้กรำนั้นบ้างแล้วเพรใจอ่อนรละพวยลงไปทําได้ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นโจรจริงสิโจรผู้ทําลายความสงบสุขของชาวบ้านเป็นผู้ผิดกฎหมายแผ่นดินบัดนี้กำเล็ดตามมาสนองแล้วไม่มีหน้าที่จะต่อล้อต่อเถียงกับพวกราชบุรุษซึ่งทําหน้าที่ของเขาถูกแล้วข้าพเจ้าได้รับพระเจ้ดดลํารัตจากพระราชาให้ปราบพวกโจรให้ได้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 ประหารชีวิตถูกแล้วประหารชีวิตแบบขุดหลุมฝังแค่คอเอาฟางกรอบและจุดไฟคลอกให้ตายทารุนเป็นการเหมาะสมสาหรับพวกโจรแหละและเมื่อตายแล้วพนักงานจะนําโคเทียมไถมาไขที่จให้ขาดเอาละ่ะท่านพร้อมที่จะไปได้หรือยังอัตมาพร้อมแล้วถ้ายนั้งก็ไปเถอะ ทั้งหมด10กวคนที่ถูกจับได้ถูกนํามาขึ้นหลังลาทุกคนผมอย่างเครียดกรีดเพระเพิ่งถูกบังคับให้ศึกหน้าตาเขาแต่และคนห ม, นมองหม่นหลังจากนั้นก็พาเข้าขาบวนแห่ประจารย์ไปตามถนนสายต่งตางๆในพระนครสาวดีเอาข้ า, าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยนี่คือพวกโจนทั่วท้าทารุณมันทํามาดไว้มาก อนฆ่าคนมาล้มไปท่วนบัดนี้คมปานสนองพวกมันแล้วมันจะถูกประหารทดใช้บาฏก็ทริย์จงมาดูหน้าตาพวกมันเอาไว้แล้วอย่าไม่เป็นตนอย่างพวกมันเจ้า้ายเจ้าชายนอนแช่ชั่วข้อความจำเ้นไม่มากตายเถิดกระดีขอให้มันตายไปจะได้ผุดจะได้เกิด ข้าพเวข้าเจ้าและเพื่อนโจรทุกคนต่างพากันก้มหน้านิ่งด้วยความอายเหมือนกับว่าตายไปแล้วครึ่งตัวลาก่อนรีลาวดีเอ้ยอาตมาไม่มีโอกาสจะเห็นหน้าเธอและสนองความปรารถนาดีของเธออีกแล้วลาก่อนืูเหมือนขบวนแห่จะผ่านพระราษีท่านสุมคละ ฝูงชนยืนแออัดดูอยู่ตามข้าวถนนเป็นครั้งแรกที่เงยหน้าขึ้นดูฝูงชนหยุดประสงค์เพื่อค้นหาลีลาวดีเพื่อมองเธอเป็นการอำลาครั้งสุดท้ายแต่ไม่เห็นร่องรอยของลีลาวดีใจเศร้าวาาผิวเชิงเงือบองไปที่ปราสาทชั้นบนบัทิอาจจะได้เห็นอาโชคช่วย ลีลาวดียืนมองดูขบวนแห่อยู่ที่หน้าต่างเคียงข้างกับมารดาของเธอรีบก้มหน้าตัวเธอจะจําได้แต่เธอคงจําไม่ได้หรอกจากเครื่องแต่งตัวและเครื่องพันธนาการคงทําให้ดูแปลกไปมากขบวนแห่ผ่านไปแค่นี้ก็พอใจแล้วได้เห็นหน้าลิลาวดีเป็นครั้งสุดท้ายแม้จะชั่วระยะเวลาอันสั้นก็ตาม ลิลาวดีเฮ้ยนันผู้หญิงที่ไหนอะได้กไให้กันี่กัอดขานัอะรวตลิลาวดีเธอรู้ได้ยังไงนีฉันไม่รู้เธอรู้ว่าเป็นท่านก็เลยติดตามมาลืมอาตามา เ, เถาาดิดเพราะว่าอาตามาจะต้องตายเวตาลิลาวดี ฮะหุ่นยิงมนล้มมาแล้วเป็นลมแนแเฮ้ยไปดูดิขาลงไปเร็วเ้ไปดูดิวๆร็วเด้ามาอไปาไปหน่อยดิโ่อะโย หลวงแล้วเ อ, า, ว า, อานักโอษลงจากหลังล่ะเช้ า, ช า, า, าันไหนเช้าันไหนร้องมาร้องมาที่คนกี่คนร้งมาหมดจะประหารเดี่ยวนี้เลยใช่ไหมท่านนายทหารดีเหมือนกันจะได้ตายซะเร็วๆยังไม่ประหารหรอกที่นี่เตรียมอาหารอย่างดีไว้ให้กินกันให้อิ่มห น, นำสุนรานก่อนแล้วถึงจะประหารจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อจะตายกันอีกในเบญชานี้แล้วและอีกอย่างนึ่งอาตมายังถือว่าเป็นภิกษุ จะไม่ยอมละเมิดพระวินัยฉันอาหารในการเวลาวิกาลแม้จะตายอยู่แล้วก็ตามตามใจทาหารพิธีกรรมเสร็จสิน่หรือยังเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาตัวลงหลงุมมาดิมาดิ ตัวมาลงหลุมที่เตรียมไว้เจ้าหน้าที่เกลี่ยมูลดินผมสูงขึ้นมาถึงคอแต่ใช้ไม้ตมดินให้แ น, น่นจนกระดุกกระดิกไม่ได้เอาตําดินแน่นหรื อ, อยังยยแน่นแล้วเ อ, เอาควางมาเกลกี่ยกบแล้วอาฟางมาเกลี่ยกรอบเสร็จการแล้วอีกไม่กี่อึดใจแล้วสินะเพราะเพลิผู้ไม่เคยปาดนดีใครจะลุกลามมาไหม้ครอบ รอคอยวาระสุดท้ายด้วยใจอันวุ่นวายเสียงของลีลาวดียังก้องหลอนอยู่ในประสาทเวลาผ่านไปถ้าเพลินก็ยังไม่คลอดขอยเจาะในที่จุดไฟเผาเร็วๆทีเถอะจะได้รีบไปสัจากโลกอันเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมนี้จุดไฟจุดไฟนายทหารสั่งแล้วเสียงย่ำฟางใกล้เข้ามาใกล้เข้ามา ความรู้สึกเริ่มจะเลือนลาลาก่อนตีลาวดีลาก่อ น, ลลอนโลกอัดเป็นทะเลทุกแม่จา๋าลูกกำลังจะไปอยู่ร่วมกับแม่เดี๋ยวนี้แล้วจุดด้วยโอ๊ย